วันหนึ่งนางเริ่มเจริญวิปัสนาขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุดีทรงทราบแล้วทรงเปล่งพระรัศมีมาตรัสพระคถานี้แก่นางว่าดูก่อนนางปุนาเธอจงเต็มไปด้วยธรรมทั้งหลายเหมือนพระจันทร์วันขึ้นสิบห้าข้าเธอจงทําลายกองแห่งความมืดด้วยปัญญาอันบริบูรณ์เถิด นางสิกขมานาปุนาฟังพระคถานั้นแล้วเจริญวิปัสนาได้บรรลุพระอรหัสต์แล้วในบาลีอปทานเรียกท่านว่าพระนละมาลิกาเถรีเริ่มบำเพ็ญบารมีกับพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าชาสุดท้ายออกบวชเป็นบรรพชิตบรรลุวิชาสามและคุณอื่ น, นเช่นปฏิสัมพิทาเป็นต้น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 พุทธศาสนาสุภาษิตสติสูรูปรมากามาขันทานังอติกุตนายังตังวังกามารติงพลูสิอรติธานิสามะมังการทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลาเป็นเขียงรองสับขันทั้งหลายบัดนี้เราไม่มีความยินดีในการที่ท่านพูดถึง